3. ถ้าอย่างนั้นเกิดด้วยไม่เกิดด้วยใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วย 4. ถ้าอย่างนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่หรือไม่ตรัสตอบปฏิเสธอีกเมื่อทูลถามถึงเหตุผลที่ตรัสตอบปฏิเสธ